ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมและผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เราก็น้อมจิตกันมาฟังธรรมปฏิบัติให้มีความเจริญในชีวิตให้ยิ่งขึ้นไปนะวันนี้เราจะมา ฟังกันในเรื่องของในทิศทิศเบื้องหน้าก็คือทิศของผู้เป็นมันดาบิดาทั้งหมดมีอยู่หกทิศด้วยกันแต่ก็จะมาเน้นในเรื่องของมันดาแล้วก็บิดา ถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของในทิศทั้งหกก็มีอยู่เริ่มจากทิศที่หนึ่งก็คือทิศเบื้องหน้ามารดาบีดาฉะนั่นมารดาบีดาเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอเราตั้งคันเสร็จเราก็บอกเราจะเป็นแม่คน จะเป็นพ่อคนแล้วนะมันยังมีอยู่ดยความเป็นบิดาและความเป็นมารดาพระผู้มีพระภาคได้แสดงในฐานะที่บิดามารดาพึงที่จะบำรุงต่อบุตรและก็บุตรที่ปฏิบัติบำรุงต่อบิดามารดา อย่างเช่นําว่าท่านได้เลี้ยงมาเราก็ต้องเลี้ยงท่านต่อนี่คือนยะหนึ่งว่าแน่นอนที่สุดะนะพ่อแม่มีหน้าที่ก็คือจะต้องดูแลอย่างน้อยก็คือการให้ชีวิตบุตรที่ต้องอยู่ต่อ หลังจากคลอดออกมาจากขันให้ยัดโยมฟังแล้วก็น้อมจิตตามไปด้วยแล้วเราจะเห็นเป็นภาพแม้ฟังทางเสียงก็สามารถสัมผัสได้ว่าเมื่อหลังจากที่เราอยู่ในครันของบรรดา จริงๆท่านก็เริ่มการเลี้ยงดูแต่นั้นเป็นการเลี้ยงดูแบบในวงจรของร่างกายที่ทำหน้าที่อยู่ก็คือให้อาหารทางสายสะ ด, ดือแต่พอคลอดเราต้องพูดว่าหน้าที่ของความเป็นบิดาและมารดาต้องทำให้บุตรมีชีวิตรอด แล้วก็อยู่ต่อไปจนกว่าเจริญเติบโตที่พวกเรามาฟังธทรมาปฏิบัติเราได้สิ่งนี้มาแล้วน้ำนมอาหารเริ่มจากอาหารที่ปราณีตเนี่ย จากน้ำนมใสสะอาดปราศจากสารเคมีเนี่ยนะเราจะได้ลิ้มรสน้ำนมก่อนมากน้อยสุดแล้วแต่นะแต่ทุกคนเนี่ยถ้าไม่โชคร้ายเกินนะได้ได้ดื่มหมดแต่ถ้าโดยหน้าที่ของมันดาท่านต้องให้เรา ทุกคนจะมาเชื่อว่าได้รับไม่มากก็ น, น้อยเอาละนั่นเป็นการเริ่มต้นว่าท่านได้ให้ชิดเราอยู่ต่อแล้วและการถูกเลี้ยงดูอย่างครบวงจรก็เกิดตามมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้าที่อาศัยยารักษาโรคอาหาร เครื่องนุ่มขมทุกอย่างและปกป้องนะไม่ให้สิ่งใดมาทำร้ายไม่ว่าจะยุงจะมดหรือมแมลงทุกชนิดท่านก็จะเป็นเวรยามให้เราด้วยนะแม่นี้กินตำแหน่งเยอะมากเพิ่มตำแหน่งเป็นเวรยามด้วยคอยดูแล คอยเฝ้าดูแลและแม่เป็นทั้งผู้ปกป้องภัยทั้งหมดทั้งหมดเลยถ้ามองว่าสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดโทษเป็นภัยได้แม่จะปิดกั้นสิ่งนั้นไม่ให้มาถึงเราหรือไม่ให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้เห็นไหม นี่คือจุดเริ่มก็คือท่านเลี้ยงเรากแสดงว่าให้ชีวิตต่อทุกคนได้ชีวิตจากผู้เป็นมารดาและบิดาไม่มากก็น้อยฉันเรื่องวาสนาอย่าโทษกันนะไม่เท่ากันเราได้ไม่เท่ากันอาตมาก็เพิ่งมาเข้าใจในระยะหลัง หลังจากบวชเข้ามาคือบางอย่างบางทีเราไปมองชีวิตของคนที่เขาเขาสร้างบุญมาพร้อมเราก็จะเอาแบบนี้จริงๆเราไม่ได้ทำอะแต่อยากได้ไม่ได้หรอกเพราะบุเพกตะปุญญาตาไม่มี ในปางก่อนความดีเราไม่ได้ทําไว้อย่างนี้เราก็ได้รับตามสภาพของผลกรรมนั้นๆตรงนี้เราหยุดในเรื่องของการมาเปรียบเทียบว่าแม่เราอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่ากับแม่คนอื่นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้ามีการถามกับว่าเราเป็นลูกเนี่ยได้มาตรฐานเหมือนลูกคนอื่นไหมล่ะมันก็ คือคือกันมันก็เป็นคำตอบที่เราต้องคิดเหมือนกันเราเป็นลูกมาตรฐานไหมแต่เทียบกับลูกที่เขาสุดยอดเนี่ยยะกับตันอยู่เนี่ยเราเองก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฉะนั้นลูกก็มักจะมองแบบทุกอย่างมันเหมือนกับพร้อมเพอร์เฟไม่มีอะไรหรอกเพอร์เฟไม่มีอะไรที่จะได้แบบ สมบูรณ์แบบไม่มีปัญหามันไม่ใช่คำพูดะนะไม่ใช่ทุกคนจะต้องได้ไม่ทุกเรื่องในพักไม้ได้กันแต่ให้รู้ว่าเป็นเรื่องของบุเพตั้งแต่เริ่มเกิดมาคนนั่งฐานะการเกิดก็ไม่เท่ากันนะ ศักการเกิดก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันแม้การเป็นอยู่ก็ไม่เท่ากันแม้การถูกเลี้ยงดูก็ไม่เท่ากันเราต้องยอมรับคํานี้ด้วยถ้าเป็นผู้ฟังธรรมและปฏิบัติแล้วนะต้องยอมรับแต่มาเลิกน้อยใจแล้วเลิกผิดหวังแล้ว เราไม่สร้างวาสนาแต่เราอยากอยาได้อะได้ไหมอีกซื้อนอตตอรี่กันเนี่ยถามจริงถูกกิน ไ, นไม่กินหมดแล้วแลคืถูกไหมรางวัลที่หนึ่งเนี่ยซื้อไปล้ล้านคนที่หนึ่งคือคนเดียวเราจะเป็นหนึ่งในนั้ น, น, นหรือเห็น ไ, ไหม นี่ขนาดตายม่เห็นนะยังแหนยังไม่ได้เลยนะและที่ภูมิเก่าเบื้องหลังที่ครั้งกนนนันโน้นนะ่นะพูดบนไกลเลยละ่ะเราไม่เห็นนะเราไม่ได้ทำมาสร้างมาแต่สิ่งสำคัญที่เราได้ก็คือท่านให้ชีวิตต่อแล้ววันนี้พอตัดสา ย, สายเสดือเป็นอันสิ้นสุด ในอาหารที่อยู่ในที่อยู่ในคันแล้วที่อยู่ในท้องแล้วเราเคลอดออกมาสิ้นสุดแล้วนะถ้าท่านจะให้ตายก็คือต้องตายแต่คำว่าแม่เ 99. ก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเก้าเก้ายังนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะที่บอกว่าพอตัดสายจะดื้ก็ไปโยนทิ้งและให้ตายเนะี่ยนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ อันนั้นมันเป็นวิบากกรรมกันมาเกิดมาก็ใช้กันเลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องรอสองวันสามวันเอาซะเลยเขารอแล้วว่าเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อ น, นั้นเขาบอกนะบางคนก็จะให้ตายตั้งเดยอยู่ในคันนะ่ะไม่ยากัดตายรอดมาได้พอออกมาก็พอตัดสายเด็ก็หันหลังออกจา ก, กโรงพยาบาลได้ก็กองขยะ โยนทิ้งน้ำฝังอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นมันเป็นวิบากมากันไม่ใช่บุญส่งนะกรรมชั่วมันส่งมาให้บาปส่งมาอากุศลส่งมาแสดงว่าฐานะที่เกิดไม่ใช่บุญตรงนั้นนะใช่ไหมจุดนี้เราพักไว้ก่อนมันมีจึงแสดงให้ฟังว่าแต่นับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ เช่นหน้าที่ของมารดาบิดาน่ท่านจะให้ชีวิตของเราต่อเริ่มแล้วไม่เคยอุ้มใครกันมาอุ้มดูดิเกิดมาตั้งอายุยี่สิบกว่าสามสิบกว่าสิบกว่าบางทีก็ไม่เคยอุ้มแต่ก็ต้องอุ้มอุ้มลูกอุ้มนมไม่เคยให้กินต้องชักให้กิน เห็นไหมนี่แม่หน้าที่ของแม่เริ่มปฏิบัติแล้วคือให้อายุให้ชีวิตให้เลือดเนื้อให้ทุกอย่างที่เราจะอยู่อย่างมีชีวิตและเติบโตท่านให้แล้วไม่ว่าที่อยู่ที่พักพิงและสิ่งสำคัญการให้ครั้งนี้ยังไม่ได้มีค่าตอบแทนเลย สังเกตดูพวกเราทำอะไรก็ต้องคิดก่อนได้เท่าไหร่ไม่โคม้มไม่เอาแต่การลงทุนครั้งนี้เหมือนต้องมันมีความเมตตามีความรักเข้ามามากกว่าผลประโยชน์ดูเหมือนเป็นการลงทุนที่ยาวนานแล้วก็สิ่งตอบแทนยังไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ ทุกคนคิดว่าลูกต้องเป็นคนดีใช่ไหมแล้วเห็นไหมลูกติดยานะลูกเตะพ่อแม่เห็นไหมลูกทําร้ายพ่อแม่นะมีลูกข่มคืนพ่อแม่มีไหมมีนั่นมันเป็นคู่เวรอีกนะแต่นับเปิดเสร็จไม่ไดม้มันก็เหมือนเมือนกะที่เกิดมาแล้วก็ถูกตัดสายจะเลยก็โยนกันเลยมันอะไรกันเนี่ยโยมเริ่มต้นก็นแม่จัด ก, การลูก พอโตขึ้นลุกจากการแม่ก็มีมันไม่ใช่คู่บูญไม่ใช่บุญสงฆ์ดนั้นไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องได้แบบถูกเลี้ยงดูฟูมฟักอย่างดีแบบมีเหมือนที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มาบอกคิดได้แต่ชีวิตจริงไม่เป็นดั่งที่เราคิดคนที่ได้เขาก็ได้ด้วยบุญของเขา คนที่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำบุเพวัฒนามาเราจะโทษใครอะ่ะโทษใครถ้าโทษโทษตัวเองนยเกิดมาทำไมเออถามดีอะเกิดมาทำไมถามดีเกิดมาทำไมเกิดมาไม่ได้หัวเราะใช่ไหมครั้งแรก ร้องดีใจหรือไงไม่ใช่อ่ะดีใจคงไม่ร้องแพทย์หมอก็บอกมันต้องขยายปอดก่อนต้องร้องไม่งั้นเดี๋ยวตายนะเอาก็สุดแล้วแ ต, แต่แต่สรุปว่าไม่หัวรเราะอะไรกันคงคงไม่สนุกนะพอ่อแม่ก็เลี้ยงเราให้ทุกอย่างพี่แม่โยมท่านเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งยามเฝ้าเราในขณะที่หลับนอน เริ่มเป็นพยาบาล ท, ทั้งที่ไม่ได้เรียนมาต้องศึกษาแล้วยูสิลูกร้องร้องเพราะอะไรไเด็กมีเสียงร้องเป็นกำลังแต่มานดูแล้วเด็กอาวุธของเด็กก็คือเสียงร้องกำลังของเด็กก็คือเสียงร้องไม่มีอะไรที่มากกว่านี้เลยเด็กมีเสียงร้องเป็นอาวุธมีเสียงร้องเป็นกำลัง เริ่มเริ่มเป็นพยาบาลเจ็บท้องไม่ถ่ายหรือถ่ายถ่ายมากไปเห็นไหมแล้วก็เริ่มทํางานแบบล้างปฏิกูลแล้วจีนี้อา้าวหนักไปเลยเลยไนหะพูดประชาบ้านเราก็คือเช็ดขี้เช็ดเหย้าแล้วไอย้ยศนี่มั น, ผนแผนกตําแหน่งไหนในงานจะจบอะไรมาก็ตามต้องทํางานนี้ถ้าเพื่อลูกก็ต้องทำ ความเมตตาที่ไม่เคยเกิดก็เกิดให้ลูกนอนจมอยู่กับกองเยี่ยวก็ไม่ได้ตื่นมาตอนดึกก็มาเช็ดมาล้างเห็นไหยชีวิตที่ไม่เคยอดทนต่อเสียงต้องอดทนอีกโอ้โหมาร้องมตอนตีสองตีสองครึ่งเนี่ยหิวนมหรือเปล่าปวดท้องหรือไม่เป็นไข้หรือเปล่า สงสัยไปหมดแล้วดูดิโอผนแนกเยอะจังเลยคอยมาดูว่าผ้าห่มอยู่ไหมยุงกัดไหมกัดต้องมาทาย า, ยาอีกดูดิงานเยอะเหมือนกันนะงานเยอะแล้วคอยดูแลสุขทุกข์อีก แะมาว่าไม่รู้กี่ตำแหน่งนะเยอะมากแล้ววันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่วันเดียวนะต้องทนเสียงร้องตอนดึกคนที่ไม่เคยประสาทเสียนะโกรธก็ไม่ได้นีนีจิตที่เคยโกรธเสียงโกรธไม่ได้วันนี้โอ้โหเซ็งว่าเราได้ ธำมะมันออกมามากตอนที่เรามีลูกโดยเราไม่รู้ตัวนะแค่เสียงคนนอนอนอนนอนกลนเนี่ยนะเราก็รู้สึ ก, กรำคาญอันนี้เสียงเสียงร้องนะและโยมฟังดูเวลาเด็กร้องนะโอ้โหสุดๆโยมต้องตื่นมาลูกยาเป็นอะไร เห็ไหมท้องอืดไหมร้องทำไมทีนี้โยมต้องหาวิธีทำให้ลูกหลับอีกอย่างนั้นเราเองก็หลับไม่ได้ต้องหาวิธีให้เขาหลับไม่เคยเป็นนักร้องกล่อมใครก็ต้องมาร้องเพลงเห็นไหมจันเอ๋ยจันเจ้าข้อเข่าข้อแกง เขาแวนทองแดงผูกมือน้องข่าเนี่ยกระรองไปเขาช่างข้อมาให้น้องข่าขี่เนี่ยดูเหมือนเคยเลี้ยงลูกกันมากล่าวไม่เคยเลี้ยงหรอกแต่รู้แล้กก็ไม่เคยมีเพราะเมียไม่มีลูกก็ไม่มีจบตรงนี้ง่ายๆบทกลอม โอลเฮโอและชอนก็ว่ากันไปยมร้องไปใครมีพื้นเพของบทกล่อมแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันมาเป็นนักร้องตอนเดิกโยงคิดดูโอ้ยจนนอนต้องมานั่งร้องโอ้โอ้โอ้เอาสิเดินขย่าจนกว่าลูกยาหลับขาอก พอซบอกเสร็จแม่ก็เออหลับได้เป็นอะไรไหมเนาะไอ้หนูพุ่งนี้ต้องพาไปหาหมอห่วงขนาดนั้นหรอชีวิตถามจริงเคยห่วงอะไรขนาดนี้ไหมเปล่าเดินห่างสามเก้านี่ต้องเหลียวแหลกลับนะถามจริงตอนเป็นสาวหันกลับขนาดนั้นไหมไม่ห้าเก้าหกเก้าหันกลับ โอ้ทิ้งไม่ได้เลยห่วงไปทุกเรื่องกลัวไปทุกอย่างพอได้ยินเสียงร้องเนี่ยโอ้โหวิ่งเลยละ่ะเสียงร้องเป็นกําลังลูกเรียกแล้วปุ๊บเป็นไงลูกฮดูดิไม่เคยเล่นก็นเล่นนะเล่นเป็นนักสแสดงดูดิแสดงว่าบทบาทของแม่นี้เยอะมาก เยอะมากเยอะมากจึงลูกหลายๆคนไม่เข้าใจพอตโตขึ้นมาหน่อยบอกแม่อย่าบ่นเลยแม่ไม่ต้องสอนแม่ไม่ต้องยุ่งแม่ต ว, วันหนึ่งใครมาเป็นแม่แล้วจะรู้ว่าไอ้คำที่เราพูดเนี่ยมันผิดมันผิดเขาลงทุนลงแรงขนาดนี้ เขาจะยอมให้ตายง่ายๆหรือยอมอ่พะพกขับรถบอกระวังนะลูกขับช้าๆโค้งเบาๆอย่าไปเมาแลยขับนะลูกโ อ, โอ้ลำคาญแม่ไปต้องมาบอกบอกมาสักกี่ปีแล้วลูกโตแล้วไม่ได้อ่ะเจอทุกครั้งก็สอนทุกครั้งเชื่อเถอะแม่มองคนอื่นแก่แต่มองลูกเป็นเด็กเสมอ เชื่อแตมาไหมล่ะต่อให้ห้าสิบแม่ยังเรียกไอ้หนูต่อให้เป็นพออแม่ก็ยังเรียกไอ้หนูใอ้เป็นผู้จัด ก, การแม่ก็ยังเรียกไอ้หนูเป็นนายพลแม่ยังเรียกไอ้หนูมาแล้วหรือแม่ไม่เคยมองเราโตนะต้องเข้าใจเข้ามาหัว อ, อกแม่นะถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไป หัวใจแม่ธรรมากลัวรับไม่ไหวมันแตกไปด้วยนะแตกจริงๆนะโยมไม่ใช่พูดเล่นนะสิ่งที่ท่านกลัวที่สุดคือลูกตายก่อนตัวเองไปถามได้เลยพ่อแม่คนไหนที่ไม่กลัวคํานี้บ้างกลัวที่สุดกลัวเมื่อลูกตายก่อนตัวเองมันเป็นเรื่องที่โอ้โหรับไม่ได้นะ เกิดกับใครเนี่ยก็ต้องมาโทษคำเดียวคือกรรมเท่านั้นเองกว่าจะทำใจได้ก็นี่คือสิ่งที่เห็นและท่านเลี้ยงเราเนี่ยไม่ใช่เลี้ยงเป็นวันนะเลี้ยงเรานับเป็นนาทีวินาทีแล้วก็มาเป็นชั่วโมงหลายๆายชั่วโมงกว่าจะผ่านไปแต่และ ว, วันโอ้โหโยม ทรมานน่าดูเลยทรมานเคยแต่งตัวสวยๆงามๆตอนนี้แต่งไม่ได้แล้วเพื่อลูกมากกว่าต้องเลี้ยงไปพักใหญ่ๆนู่นแหละถ้ายิงเลี้ยงแบบคนสมัยก่อนเ้าเรียกเลี้ยงแบบติดเอวแล้วก็ติดหลังมัดกันไปเลยโยปีนต้นไม้ขึ้นด้วยกันลูก เคยไม่โยมใครเคยขึ้นต้นไม้กับแม่ผูกติดขึ้นไปด้วยนะแต่มาเชื่อว่ามีจะไปหาอยู่หากินต้องพาไปด้วยปล่อยไว้บ้านไม่ได้เป็นห่วงกลัวอันตารายโอ้โหแตมาว่ามันยากนะโยมเนาะมีลูกนะคือมีแตมาว่าคงคงไม่ยากเท่ากับเลี้ยงลูกนะยาก ยากจริงๆฉะนั้นถ้าเราคิดสักนิดพวกเราไม่มีสิทธิ์โกรธคำว่าแม่พ่อเลยเทวดามาด้วยความคิดเราถูกแต่ความจริงนั้นผิดจะเหตุผลอะไรก็ตามแม้ท่านผิดอยู่ก็ตามแต่เราไม่ควรโกรธแต่เตือนบอกท่านได้ ว่าสิ่งนี้ไม่ควรบางเรื่องบางอย่างได้ยิ่งไปแค้นไปอาฆาตท่านแล้วโอ้โหตมาว่าจิตมันหลงทางแล้วละ่ะจิตหลงทางนะไม่ถูกทางไม่ใช่ตมาเคยมาดูถ้าเราคิดว่า แม่เลี้ยงเราไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแม่คนอื่นที่ดีถ้าย้อนกลับย้อนกลับมาตัวเราเราก็ไม่ได้เป็นลูกที่สมบูรณ์แบบเหมือนลูกที่เขายกย่องว่าดีเหมือนกันถ้ามองจุดนี้มันเสมอนไนมเราลืมมองตัวเองแต่มาเชื่อถ้าลูกทุกคนคืนทุกอย่างที่ท่านให้เรามานี พ่อแม่ทุกคนไม่จดและไม่มีควาอดอยากจะมาเชื่อเลยคำนี้แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้รับจุดนี้เท่าที่ควรเสื้อผ้าที่ท่านซื้อให้เรามันมากชุดกว่าที่เราซื้อให้ท่านเชื่อจะมาเถอะคำเข้าท่านป้อนเรามากกว่าที่เราป้อนคำเข้าท่าน เวลาชีวิตท่านทุ่มเทให้เรามากกว่าที่เราแบ่งให้ท่านจะมาเจอมาหลายคนลูกไม่มีเวลาแม้แต่เพียงขับรถนำพาแม่มาสร้างบุญเนี่ยนะผลัดกันเป็นปีมันเกินไปเกิดพ่อแม่เราตายก่อนทาไงให้ท่านสร้างบุญดนตาเห็นเห็นเนี่ยนะ โอ้เราไม่กระตันอยู่ตอนนี้จะไปกระตันอยู่ตอนไหนเะนั้นโอ้สิ่งที่แม่พ่อให้มานี่เยอะมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องตอบแทนเลี้ยงดูท่านท่านเป็นครูเราอีกสอนอีกว่าโอ้เป็นทุกอย่าง แต่ถามว่าเราเป็นทุกอย่างให้พ่อแม่ไหมตอบเองตอบแบบมันฟืดๆแต่อมาว่าเราเป็นทุกอย่างให้พ่อแม่ไหมรู้สึกใจมันแห้งๆเนาะพูดเรื่องนี้รู้สึกเรามันเหมือนพร่องไปนะพวกเรารู้สึกจะพร่องไป เราไปเติมจุดอื่นมากไปหรือเปล่าบางคนมองพ่อแม่เป็นคนแก่ที่ทำไมไปมองท่านอย่างนั้นนะมาไม่เห็นด้วยเลยตอนห้ท่านจะเงิ้เงืนเ่อไม่แข็งแรงหรืออะไรก็ตามเด้อมองให้ท่านเหมือนนางฟ้าได้ไหมพระพุทธเจ้า แสดงชัดเลยแม่เหมือนพระพรหมแม่เหมือนเทวาดาแม่เหมือนพระอารหาหันเนี่ยมองได้มองให้เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะได้บุญด้วยเราจะได้บุญเราได้ตอบแทนอะไรท่านบ้างเราคืนอะไรให้กับท่านบ้างเวลาที่ท่านเคยให้เราเราเคยให้เวลาท่านแค่ไหนท่านเคยพาเราไปกิน าเราไปสถาน ท, ที่เที่ยวตรงนั้นตรงนี้เมื่อท่านต้องการไปไหนทำไมไม่พาท่านไปบ้างจาได้ไหมชวนท่านไปพอไม่ท่านบอกไม่ไปร้องเนี่ยแล้วท่านก็พาไปอยากได้ของพอไม่ได้ก็ร้องท่านก็ซื้อให้จืด้ะไบอกระหม่อว่าต้องมีสักครั้งสองครั้งอย่างน้อย ให้ท่านเถอะท่านเคยซื้อขนมให้เรากินเยอะเราเคยซื้ออะไรให้ท่านได้กินบ้างท่านส่งเสียเราจนเรียนจบบางทีท่านเองก็ไม่ได้จบอะไรนะแต่ศรีตาสาธรรมธรมีอยู่บ้านนอกคอกนานหรืออยู่ทางใต้ก็ดีที่กรีดยางอยู่ ทำสวนทำไร่อยู่ตามจังหวัดน้อยใหญ่พ่อแม่ไม่ได้มีใบปริญญาหรือไม่ได้มีปริญญาบัตรท่านท่านกรำชีวิตนะท่านตรากตรำชีวิตท่านตรากตรำชีวิตบอกว่าไม่ท้อแท้ถอดใจเมื่อผิดหวังมีพลังมุ่งมั่นสู่วันใหม่ ฟ้าหลังฝนย่อมสว่างผ่องอัมภัยหากมีใจที่เข้มแข็งและอดทนพ่อแม่เรานี้เรื่องอื่นไม่รู้แต่การอดทนต่อลูกเนี่ยเตมาบอกสุดยอดกว่าทุกเรื่องทุกเรื่องเลยพวกเรานี่กวนท่านมากเชื่อเตอมามะอ้อนก็ เ, เกกท่านั้นเรียกร้องความสนใจก็เท่านั้น อยากจะได้อะไรก็ต้องแม่ขยันเขยอยให้ได้แต่พอทีท่านต้องการนะไม่ให้ท่านทั้งทั้งที่ท่านเลี้ยงเรามาแต่มาบอกต่อให้โยมมีเงินร้อยล้านโยมให้ท่านหมดร้อยล้านบุญคุณก็ยังไม่หมดเชื่อไหมนะให้มีพันล้านแล้วก็บอกแม่ ลูกหมดแล้วให้แม่หมดเลยพันล้านมนคดณหมดไหมอย่างมันยังมีสิ่งต้องตอบแทนอีกเยอะไม่ใช่เพียงแต่ที่นั่งที่ยืนที่นอนที่กินหรือเสื้อผ้าการดูแลเอาใจใส่ท่านอีกพวกเราเคยไหมเคยดูแลเอาใจใส่ท่านไหมเคยเป็นพยาบาลเคยเป็นหมอเคยเป็นบริการท่านไหม เคยเป็นยามเฝ้าดูท่านบ้างไหมเคยให้เวลาชีวิตท่านบ้างไหมเราฟังแล้วก็น้อมเราเป็นลูกแบบไหนคิดเดคิดเอาใจคิดด้วยแล้วเราจะรู้ว่าเออมีหนา้าประหลาดบรรณัณฑิตที่เขาแต่งเรื่องแผ่นดินแผ่นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดที่จะพรรณนา พระคุณแห่งมานดาแต่ว่าวัตถุบังตาพวกเราเยอะนะทุกวันนี้วัตถุได้ครอบงา จ, จิตใจครอบงา ม, มโนธรรมครอบงมศีลธรรมไม่มากทำให้พวกเราตกต่ำในเรื่องของความกระดันอยู่ตกต่ำในเรื่องของศีลธรรม พูดที่ให้เราครั้งแรกเลยไม่ใช่ใครหรอกกว่าโยมจะพบคนอื่นถ้าไม่มีท่านเราก็ตายแล้วหนาวตายไปแล้วอดตายไปแล้วบางทีพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เรียนสูงแต่ส่งลูกให้เรียนจบปริญญาตรีโทเอก ปีหนึ่งกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ยังบอกไม่ว่างนและถามมันทำอะไรทั้งปีงานถ้าเราไม่แบ่งเวลาชีวิตมันไม่มีหรอกเราให้ความสนใจกับสิ่งไหนมากมันก็มีเวลากับสิ่งนั้นนี่คือเรื่องที่เราพูดว่ามันไม่มีเราต้องคิดเราเอาของท่านมาเยอะมาก แต่เราไม่คืนท่านเลยไม่ตอบแทนท่านคิดหรือว่าท่านไม่มีความรู้สึกโธท่านเสียใจไม่เป็นหรือท่านรู้เต็มหัว อ, อกเก็บไว้ในใจลูกดีก็โอ้โหถึงให้มาร้อยล้านพันล้านท่านก็ไม่เอาหรอก เอ็งเอาให้ข้าทำไหมแม่บอกเอ็งเอาไปใช้เถอะข้าก็พอมีอยู่แล้วเชื่อเถอะก็สิ่งที่ท่านให้มาทั้งชีวิตคนไหนก็ไอ้นี่คนเนี้ยลูกมันเนี้ยนะพูดอย่างนี้เลยนะแล้วคิดหรือว่าท่านจะไม่ให้เรามีความสุขท่านจะไม่หยิบยื่นสิ่งอื่นให้อีกโผของท่านท่านยังให้ได้เลยนะ และเป็นของลูกที่ให้ท่านท่านก็ต้องเอาถ้าเอาก็คือเก็บไว้ให้ลูกในแล่ฉะนั้นดูว่าหน้าที่ของท่า น, นท่านทําทําหนักบางคนเลี้ยงลูกลําบากมากลําบากเพิ่มความเหนื่อยเพิ่มความอดทนทุกอย่างแล้วก็เวลาชีวิตหมดไปกับคําว่าลูก แต่พวกเราไม่ค่อยตอบแทนเวลาท่านเลยไม่ค่อยตอบแทนในการเลี้ยงดูท่านแต่โดยเฉพาะในเรื่องของกิจบุตรที่ควรทำเราไม่ตอบแทนอย่างนี้ก็มันเป็นเรื่องที่เศร้าใจและทุกคนจะรู้สึกผิดตอนพ่อแม่ตาย มันทำลายจิตใจคนมาเยอะแล้วเรื่องนี้พอพ่อแม่ตายรู้สึกผิดั้งนั้นเลยเป็นคนดีแบบข้ามคืนพริกฝ่ามือได้แปลกตอนพ่อแม่อยู่ดีไม่ได้คนนี้หรือพ่อแม่หมดกรรมไปแล้วมันหมดคู่กรรมมันใช้กันหมดแล้วหรือตรงนั้นแล้วเราจึงรู้สึกว่าท่านดีกับเรา บางคนต้องให้พ่อแม่แบบนอนป่วยเจ็บหนักก่อนถึงไปเยี่ยมเวลาโทรถามโคม่าแลยยังยังแล้วยังไม่ไปจะไปดูใจโคม่าแล้วหรือเอาไปแล้ววันนี้แน่นะ่าโคมา่าอะไรใจดำขนาดนี้เรอต้องโคม่าหรือ โอ้แย่มากแม่เนี่ยเวลาลูกเพียงเริ่มตัวร้อนเนี่ยอุ้มไปหาหมอแล้วแค่ร้องและท้องอืดหน่อยเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยไปตั้งแต่เช้าหนูไปนั่งรอหมอแล้วใจจิตใจในี้กระวนกระวายเห็น ไ, ไหม จะกินอะไรก็ต้องป้อนมันเสียก่อนวันนี้ทําไมเราไม่ทำเหมือนที่ท่านทำมาเราเราเราคิดและเอาจิตคิดด้วยคิดตามด้วยเอาความรู้อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันความรู้บางอย่างเขาไม่สร้างเรื่องมโนธรรมเลยนะเราต้องมีสามัญสำนึกความเป็นลูกแล้วก็ระวังกรรมชะนองกรรม ทำอย่างไรกับพ่อแม่มาท่านจะได้รับอย่างนั้นบางทีเราพูดจากนะ่มันเหมือนเสียบแทงท่านแล้วพอวันหนึ่งลูกมันพูดกับเราอย่างที่เราเคยพูดกับแม่เรารู้สึกเลยรู้สึกไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่เราทำกับแม่ รู้สึกว่ากรรมมีฉะนั้นจุดนี้มาไม่อยากให้เราปล่อยชีวิตนางฟ้าเทวดาพระพหมหรือพระอระหันต์อยู่อย่างผู้มีใจหอเหี่ยวทั้งทั้งที่มีลูกอย่าให้ท่านรู้สึกว่าลูกท่านไม่มี ลูกแปดคนเก้าคนสิบคนเจ็ดคนหกคนห้าคนทำเหมือนไม่มีบ้านจะให้ท่านชู่ไม่มีอาหารให้ท่านกินไม่มีเสื้อผ้าจให้ท่านเปลี่ยนท่านใส่ไม่มีผ้าห่มในช่วงฤดูหนาวเคยนึกไหมพอถึงช่วงฤดูหนึ่งหน้าร้อนซื้อสื้อ้าท่านแบบไหนพอหน้าหนาวผ้าห่มยังไงเสื้อผ้าแบบไหน เพราะหน้าฝนทำไมเราไม่ดูท่านท่านกินยังไงอาหารท่านกินครบ5้าหมวดไหมเรากินแบบไหนลูกบางคนนี่โหกินแบบเฟิร์สมากรู้มีทริปให้อีกแต่แม่กินอะไร เราได้ชีวิตเมื่อตัดสายเสดื้อน่ะใครให้ชีวิตเราพอเราเขาส่งให้เราจนถึงฝั่งเราถีบเรือเลยนะถีบเรือเลยไม่ดูแลเลยและแต่เรือมันจะล อ, อยไปโง่คนคนอาการดันอยู่โง่นะอย่าทำไปดูว่าท่านกินแบบไหน ถ้าท่านกินอาหารที่ดูแล้วมันมันไม่ใช่เราต้องขนขวายให้ท่านถ้าดูวยเสื้อผ้าท่านเก่าเกินแล้วต้องขนขวายให้ท่านผ้าห่มดำไปแล้วขนขวายให้ท่านใหม่ที่อยู่นี่มันอับมากหรือว่ามันสุดโซมหรือมันดูแล้วควรดีกว่านี้ที่เราพึงทำได้นะเราก็ควรทำ ดูที่ผมท่านยาวไหมเล็บท่านยาวไหมท่านเคยตัดเล็บให้เรานะเพราะท่านยังกลัวเล็บยาวจะไปขวนหน้าตัวเองพวกเราเคยตัดเล็บให้ท่านไหมเคยพัดท่านไปตัดผมไหมเคยซื้อรองเท้าให้ท่านไหมบางคนมองง่ายๆว่าแม่มีหมดแล้วไปต้องละเราไม่ไปยุ่งกับท่านท่านก็นดีใจเออคิดอย่างนั้นนะลูกเออใจเรือนใจเรือนแล้วลูก คิดอย่างนี้ห้าสิบเลยล่ะมันคิดง่ายไปแล้วการตอบแทนคุณมันไปไหนยมคิดถ้าอยู่ทางโลกธรรมาก็ว่ามันแต่พอเราเข้ามาในในชั้นธรรมะแล้วนะต้องมาคุยกันอย่าทิ้ง เพราะความกัตัญญูนแหละจะนําพาไปสู่นิพพานด้วยนะอา้าวไม่รู้ล่ะพระชาลิบุตรปโมคขลาทุกคนจะต้องมากัตัญญูหมดสุดท้ายแล้วแม้พปโมคขลาเคยพลาดมาในครั้งชาติหนึ่งใช้กรรมสาหัสพระพุทธเจ้าเนี่ยไหมกตัญญูในชาติไหนสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุกทุกชาติ แม้ในเรื่องของส่วนนศ า, ชาใช่หที่ถูกสอนเสียบอาบยาพิษแล้วก็ฟื้นชีพมาด้วยสัจจะอธิฐานบา ร, รมีในคุณบา ร, รมีความดีที่บำเพ็ญมาทำให้ฟื้นได้อำนาจของบุญนะอำนาจของบุญฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้นางฟ้าเทวดา พระพรมหรือพระอาหารหันในบ้านเราอยู่อย่างผู้หอยเหี่ยวแห้งเหี่ยวท่านทั้งที่มีลูกอยู่อย่าคําเจ็บแสบหยาบคายอย่าพูดคําประชดประชันซอเสียดท่านอย่าพูดแต่ลูกหลายคนเราต้องมองแม่ต้องดีอย่างนี้ต้องเส้นเป็นเส้นกราฟนะเส้นกราฟตรงเปี้ย ไม่ใช่ชีวิตไปขีดมันมทัดทำไม่ได้หลอกโถเราไปคิดให้คนอื่นไม่ใช่มันไม่ได้เป็นได้ทุกเรื่องตามที่เราคิดเหมือนบางคนก็มองรพระบวชต้องอารหันหมดทุกองค์ไม่ใช่อ่ะแม้แต่ยุคพระเจ้ายังมีโสดาอย่าไม่ถึงอารหันก็มีแค่ถึงพระนัตเตรียก็มีเห็นไหมพระเจ้ายิ่งรู้กว่าพวกเราอีกแต่นี่ไม่รู้บอกพูดเอาอารหันมาทุกทีเล โถเขาบำเพ็ญบุญบรารมีเขาสั่งสมพบภูมิชาติไปเขาก็บำเพ็ญศีลทานบรารมีไปเรื่อยเื่อยเร่อยเร่ อ, อางน้อยท่านก็อยู่อย่างอหญิงสาผู้ไม่เบียดเบียนน่ะแล้วเราไปคิดอะไรกับท่านเราก็บาปเองมันก็ไม่ถูกเหมือนกันแม่ก็เหมือนกันแม่เราก็เหมือนกันบางทีท่านผิดแต่ตระมาก็ยอมยอมว่าผิดผิดคนเรามันผิดได้ถูกได้ แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องเอามาแบบเอาความผิดมาเป็นเงื่อนเงื่อนไขเงื่อนตายเอามาเป็นไม่ใช่โยมมองชิดคนแค่แค่ผิดครั้งเดียวแล้วก็ล้มกระดานเลยหรือแทงนี้โยมคือคนเลวแจะมาไม่ครบเลยไม่ครบเกิดจะมาทําดีมาร้อยเรื่องนะทำเสียเรื่องเดียวมันฆ่าเราอะนะไม่ครบเลยนี่ไปเลยไปครบคนอื่น เราอย่ามาคบอัตมาด้วยไม่ได้เราอย่ามองอย่างนั้นเดบันดีเืนดียังเดินสะดุดเท้าตัวองล้มเลยมีใครบ้างไม่เคยสะดุดเท้าตัวเองจกมือนี่ผู้ฟังทั้งหมดเคยขนาดลิ้นกับฟันเนี่ยนะยังเคยย่ำกันเลยอยู่เจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยก็เจ็บจริงๆะนะ เคยแล้วเคยแล้วฉะนั้นถ้าเราเห็นความผิดของพ่อแม่ผิดเรื่องอะไรก็ตามแล้วเราไปตั้งปินเงื่อนตายไปเป็นมีจิตอากุศนแล้วไปด่าไปสาบแช้ ง, ท, งท่านไปโกรธโมโหท่านและบุญคุณมันหายหมดเลยเหรอแต่มาถามคำนี้คนดีพูดเลไหนบอกเราเป็นคนดีพูดดิไอ้ที่ตัดสายชะดือวันแรกเนี่ย แล้วก็โตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยนะไม่มีเลยนะไม่ใช่แล้วท่านเห็นผิดจากคลองธรรมนะเอาเอาตัวเองเป็นหลักไปแล้วไม่ใช่ผิดเรื่องอะไรก็คือผิดแต่ไม่ใช่ว่าผิดทั้งชีวิตแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยโกรธท่านเลยแล้วก็ลบล้างบุญคุณหมดเลยไม่ใช่แต่มาบอกลูกอย่างนี้เยอะมาก เยอะมากและโดยเฉพาะเรื่องสมบัติแม่คุยแล้วยาวเรื่องรักลูกอ่ะรักลูกไม่เท่ากันก็เรื่องสมบัติไม่ให้บางให้ไม่เท่าคนนี้บางถามจริงท่านผิดหรือถ้าไม่ให้เนี่ยแต่มาถามท่านก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีก็ควรให้ลูกถูก และมุมกลับท่านเลี้ยงเราโตแล้วเราเนี่ยน่าอายไม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้การศึกษาท่านก็ให้เราไม่ตอบแทนคุณท่านก็ยังคิดว่าเราจะต้องได้สมบัติเท่านั้นเท่านี้ท้าไม่ได้โกรธไม่ต้องเผาศพกันแล้วโธ่จริงนะไม่มีคนไปมัน กลอยนั่งหันศพนะเขาจะมองคนตายคนเร็วนะเขาว่านะมันเสียนะตายไม่มีคนเผาเนี่ยแม่สับรเรเป็นเาพาพคนเดียวนี่มันแมมันเสียหายเสียหายอย่าฉะนั้นตรรมาว่าเราต้องแยกบุญคุณต้องทดแทน นี่แค้นต้องอภัยเรามาเรียนธรรมะไม่ใช่มาผูกความเจ็บความแค้นความทุกข์เราต้องปลดปล่อยความโกรธความแค้นความทุกข์นี่จึงเรียกว่าเรียนธรรมะและวงั้นปฏิบัติทำอะไรได้อะไรไม่เห็นมีอะไรที่ได้เลยความแค้นความโกรธความทุกข์ยังเต็มอยู่ในหัวใจ ไม่ได้ผลเลยก็แสดงว่าธรรมะที่ฟังพระพุทธเจ้าโปรดแล้ว น, นี่โปรดไม่ได้เหมือนกันปัททะป ร, รมะคือโปรดไม่ได้โปรดไม่ขึ้นจมลงไปยึดอยู่กับทิฏฐิตัวเองว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดแล้วทําไมผิดถูกต้องอาฆาตด้วยหรืออาภัยไม่เป็นเห็นไหมนี่เห็นผิดจากครองธรรมนะเป็นมนโนทุจริตมีอยู่ในในมนโนสาม มีใจผูกพยาบาทคิดร้ายเห็นไหมแล้วก็มีข้อนโลภเพ่งเลงอยากได้ของเขาเรียกว่าอภิชาและเห็นผิดจากครองธรรมนี่ในเรื่องของมโนธรรมแสดงว่าเรามีมโนธรรมที่ผิดแล้วชีวิตไม่เจริญ จิตมันไม่จเจริญแน่นอนจเจริญได้อย่างไรถึงจะมีวัตถุเท่าไหร่ก็ไม่ได้หมายว่าจิตนั้นจเจริญไม่ใช่แยกกันนะรูปนามยังแยกกันได้พอเรายิ่งเข้าใจในเรื่องของบุญคุณแล้วเนี่ยเราต้องตอบแทนถามว่าจะตอบแทนเมื่อไหร่มันไม่ต้องรอเวลานะครมาตอบแทนคุณเริ่มตอบแทนคุณตั้งแต่ ที่เราจะทำอะไรได้ช่วยทันซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านเช็ดบ้านตอบแทนแล้วเป็นลูกที่ดีตอบแทนคุณท่านแล้วที่ท่านเลี้ยงดูเรามาท่นานพอเห็นท่านยกของหิ้วของวิ่งไปรับแทนท่านไม่ใช่แม่มาก็ยืนนั่งดูเฉยแม่น่าดำน่าแดงมาก็ยังดูนเฉยมันลูกอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่มันไม่ช่วยแม่ว่านะแม่พอมาถึงบอกแม่บอกแปลว่าน้าให้แม่จะแก้วแม่หิวน้ำเอา้าหิวก็ไปกินเองที่ฮพูดอย่างนี้นี่เลวมากจะมาว่าแทนเลยนะเลวมากไอ้ที่เขาหิวมาเนี่ยตัวเองกินไหม เกิดมาก็มีบ้านสุกหัวนอนเป็นบุญหัวเท่าไหร่นะกินแรงก็ไปเท่าไหร่รู้เป่าเตัดสายสะดือได้ชีวิตต่อเนี่ยเป็นบุญหัวเท่าไหร่แล้วลูกเอ้ยจะไปเรียกร้องทรัพย์สมบัติทรัพย์สินอะไรมากมายท่านทามาดั้งชีวิตท่านเหนื่อยอยู่ๆเราจะมาชุบมือเปิบและต้องไดท้ท่านั้นเะท่านี้นะทำไมได้งอน อ๋อมันไม่ใช่เหตุผลนะ่ะนี่เราหลงหรือเปล่าหลงท่านไม่ผิดท่านไม่ให้เราเราก็ไม่นั่งโกรธท่านท่านก็ไม่ผิดมีสิทธิ์น้อยใจแต่ท่านไม่ผิดท่านไม่ผิดแต่มายืนยันท่านไม่ผิดเพราะมันของท่านน่ะแต่ถ้าเรามีไม่ให้ท่านเราผิดเพราะ ท่านเลี้ยงเรามาแล้วยมมาตอบแทนคุณตอนไหนตอนตกนรกไม่มีทางอะ่ะไม่มีตอนตันตายโถยิงตามกันไม่เจอแล้วมั้ตายเห็นไงที่กำลังคางสันมือสันเดินตัวสันนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยละ่ะเทวดาของท่านกำลังมือสันอยู่ ตากำลังมองไม่เห็นฟ้าฟางนั้นแหละพระพรหมของท่านอยู่ตรงนั้นพระอานนทของของท่านกําลังเคี้ยวเข้าคําแบบกลืนคําก้อนแข็งไว้ได้แล้วเนี่ยท่านต้องรู้ว่าแม่ต้องการอาหารแบบไหนหยาบหรือละเอียดนั่นเนี่ยต้องดูท่านดูท่านเราเราเรากินแบบไหน มองว่าแม่กินแบบไหนเราใช้เสื้อผ้าแบบไหนมองว่าแม่ใช้เสื้อผ้าแบบไหนเราใช้รถแบบไหนดูว่าแม่เดินทางแบบไหนเราอยู่บ้านแบบไหนดูว่าแม่อยู่บ้านแบบไหนเราใช้เครื่องอำนวยความสะดวกแบบไหนดูว่าแม่เราใช้แบบไหนสะท้อนกลับไปดูตรงนี้แแล้วจะวัดตัวเองได้ว่าเรา ไม่ทิ้งท่านดูแลท่านคอยรักษาท่านเหมือนท่านเป็นทุกอย่างให้กับเราเราก็จะเป็นทุกอย่างให้กับท่านทำดิเดี๋ยวตายแล้วมแม่ตายก็เราตายนะทำเถอะถ้าไม่รีบทำมันจะสายไปนะมันสายไปบุญล้วนๆเลยนะ อมท่านเขาองสวมมองน้ำเนี่ยโอ้ยนั่นแหละท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านเลี้ยงลูกมาท่านต้องมาเสียใจอยู่ที่บอกใครไม่ได้หรือผิดหวังกับลูกที่ท่านบอกใครไม่ได้ว่าท่านผิดหวังดีๆชั่วๆไม่อยากให้ลูกของเราถูกคนอื่นด่าว่าแปรน า, นามแม้เราไปด่าท่านท่านก็ไม่บอกคนอื่นนะ แต่คนอื่นด่าเราสังเกตั้ยเราไม่บอกคนอื่นนะไอ้ น, นี่มันดาเราเพราะคนอื่นก็มองไอ้ น, นี่คือคนไม่ดีแต่เมื่อไรลูกด่าแม่สังเกตด้วยลวแม่จะไม่บอกใครนะไม่บอกพูดจาไม่ดีอย่างไรท่านก็พยายามเงียบฉะนั้นเราเนี่ยอย่าทำให้ท่านรู้สึกผิดที่ท่านมีลูก ถ้าเราอยากให้แม่เลี้ยงเราดีเหมือนแม่คนอื่นสูงสุดยมเริ่มทำในชาตินี้ตอบแทนคุณแม่ให้ดีที่สุดและเชื่อจะจุดเริ่มที่เกิดยมได้ครบแล้วได้ครบบุญมันส่งให้บุญส่งแต่ถ้าเราไม่ทาในชาตินี้อีก ไม่แน่นะตัดสายสะดีก็โยนขยะเลยนะนะอย่าโทษกันนะว่าแม่ใจร้ายกรรมมันพาไปหาวิบากนี้เขาจัดสรรให้ไม่ใช่ว่าเราอยากเป็นแต่สิ่งที่เราเลือกเป็นได้คือเราเลือกทำเลือกเธอโยมโอกาสแล้ววันนี้ยิ่งเป็นมงคลให้กับเราด้วย ทำเพื่อแม่เพราะตลอดเวลาแม่ทำเพื่อลูกคำมันหวานมีไหมคำไพเราะคำจริงใจคำเสนอสดพูดกับท่านเนพูดพูดดีๆให้สิ่งดีๆท่านบ้างท่านจะไปแล้วเชื่อะ ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วรีบนะยิ่งพ่อแม่ของใครตาฟังหูตึงรีบสนะิอย่าให้ท่านลืมว่าท่านมีลูกนะบางทีท่านจาไม่ได้ใครนี่นะใครนะโอ้ห้าหกปีไม่เคยมานะไอ้หนูเหรอ จำไม่ได้เลยยัง เ, เป็นยังไงไม่เห็นตรงขาวตรงข้าว่ า, วมาไม่ว่างแม่ น, ม น, นะนะมี่ไม่ว่างยันลงนั่นแหะคลื่ว่างทีไม่ว่างมันไปทำอะไรมาวันละยีบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะไม่ว่างโอ้โหก็มีเท่ากันนะลูกคนอื่นเขาว่าง ไอ้ลูกคนนี้มันไม่ว่าบางคนก็ดูถูกพ่อแม่นะกลัวสังคมจะรู้ว่าเราฐานะต่ำต้อยพ่อแม่เราไม่มีชื่อไม่มีเกียรติในสังคมตะมาบอกเป็นความคิดที่โง่เขลามากน่าจะภูมิใจแม่เราพ่อเราเนี่ยนะส่งเสียเรามาถึงขนาดนี้ทำไมเราไม่ยกขึ้นมาแต่เรากับ ทิ้งชีวิตพ่อแม่ให้เป็นอนดีตโอ้โหเวนลูกเวนลูกเวนขอย้ำเราทิ้งพ่อแม่ให้เป็นอนดีตแต่เราคิดแต่อนาคตลูกเวนเราสร้างเวนแล้วจริงใช่ไหมลูกเวนเราสร้างเวนให้ตัวเองแล้วแล้วเชื่อเถอะ คนไม่รู้จากการตอบแทนคุณไม่ไปไหนตกต่ำลงมาในที่สุดเมื่อความจริงปรากฏฉะนั้นเราทุกคนอย่าประมา ท, ยา ท, ามาทามอย่าให้ท่านลืมเมื่อท่านมีลูกอย่าให้ท่าน ต้องรู้สึกต้องรอเรามาหรือจะเง้อคอว่าลูกจะมาไหมเราพูดดีๆได้ยุคนี้เป็นยุคสมัยใหม่แม่อยู่ไกลซื้อมือถือไปเลยโทรคุยทุกวันเลยแม่พักเทียงกินข้าวยังงั้นแม่คุยกับท่านดิคุยแม่เป็นไงสุขภาพดีไหมเออไอหนูมันโทรมาอีก เดี๋ยวแม่บอกเอ็งอย่าโทรมาบ่อยเปลืองค่าโทรศัพท์แม่ไม่ต้องห่วงนะรวยหวันี้รวยไม่กินอะไรครบห้าหมวดไหมแม่ถามดิแม่ใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ร้อนไหมแมเ่เดี๋ยวลูกจะไปหานะแม่อย่าลืมปะแป้งแต่งหน้าให้เรียบร้อยนะแม่แน่ผู้ดใดคนแก่ก็มีความสุขมาง้ง แม่ดัดผมหรืยังเนี่ยแม่เดี๋ยวลูกไปแม่ต้องสวยนะเพราะต้องพาไปขึ้นพัตาคารว่าไปนั่นนะเห็น ไ, ไหมพูดได้พูดให้ดีเป็นไงแม่สุขภาพตอนนี้คุยดิวั น, ว, นวันคุยอะไรพอรไปนินทากันโอ้ยมันอย่างนี้มันคงฉันทนไม่ได้แล้วโทรไปทำไมมันถูกมากหรือค่าโทรศัพ์เงินมันหาง่ายขนาดนั้นหรือ ตั้ง่ายมากออกมาทาบุญตั้มาก็ไม่ว่าสักคาดีกว่าโทรไปนินทาด่า ก, กันเออโทรไปหาแม่โทรไปหาพ่อเออถามเป็นไงพ่อแม่อากาศเป็นไงถามเด็ดดิโถเวลาของมนุษย์น้อยนักสั้นนักความจำดีๆทํามามันมีน้อยนะความจำดีๆเขาเรียก ความทรงจำที่รำลึกเนี่ยมันน้อยเอาแค่ครอบครัวแต่มานึกถึงเคยอยู่หลังบ้านมีสนามหญ้าอยู่หน่อยหนึง่งโยมพี่ก็ปลูกต้นไม้ต้นอต้นเขาเรียกต้นเทียนต้นอะไรเรียกไม่ถูกเยเมล่าเหรอไม่รู้นะแต่ดูดีสวย ตกเย็นก็พี่น้องก็มารวมกันก็นั่งตักข้าวกันแต่มาบอกมันซื้อไม่ได้เลยชีวิตเราเราไม่รู้มันมีค่าขนาดที่ต้องจดจำและมีความสุขถึงวันนี้ได้ไม่น่าเชื่อเลยพี่น้องนั่งกันครบหน้าทำไมมันจำภาพนี้ได้ทั้งทั้งที่มันไม่ได้แพงอะไรอาหารมื้อ น, นั้นข้าวก็เป็นข้าวเจ้าทั่ ว, วไป หม้อก็หม้ออลูมิเนียมทั่วไปย่าก็ย่าทั่วไปแต่เรารู้สึกชีวิตตรงนั้นน่มันสมบูรณ์แบบความรักความเมตตาความห่วงหาอาทรความมีน้ำใจความเป็นพี่น้องทุกอย่างมันอยู่ครบตรงนั้นแต่วันนี้ไม่มีแล้วจากกัน ด้วยความตายก็มีแล้วจากกันที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีและไม่สามารถที่จะอยู่ให้ชีวิตอยู่แบบวันนั้นได้อีกหลายคนเสียดายชีวิตเก่าๆที่ผ่านมันรู้สึกมันมีค่านะบางทีสแตมเก่าๆ โ, โหยังแพงมหาศาลเก็บไว้แล้ยังไม่รู้ว่ามันจะมีค่าเลย แต่ถ้าสแต็มเทียบกับสิ่งที่จามาพูดหรือภาพวาดเก่าๆเห็นไหมโอ้เามีค่ากันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ไม่ว่าภาพหรือสแต็มเก่ามันไม่มีค่าเท่ากับชีวิตที่เราได้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบในวันนั้นเนี่ยมันตีค่าไม่ได้เพราะมันเป็น จ, จิตใจมันซื้อไม่ได้ไ ด, ได้วยวัตถุ อณก็ขอยุติในเรื่องของแม่แต่เพียงเท่า น, นี้ขอจงได้รับความสุข